พรตรัยปิฎกฉบับประชาชนพัตรัยปิฎกเล่มที่หหมวดที่สี่สมทะคันทะกะหมวดว่าด้วยวิธีระ ง, งับอธิกรณ์สำหรับอธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำแบ่งออกเป็นสี่อย่างดังจากล่าวในหมวดนี้ซึ่งมีพระพุทธภาษิตอธิบายไว้ด้วยภิกษุฉัพพคคีพวกหก ทำกรรมประเภทลงโทษแก่ภิกษุทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าคือเป็นการทำลับหลังตัดชนียกรรมข่มขู่บ้างนิยสกรรมถอดยยศหรือตัดสิทธิบ้างปรปภาชนียกรรมขับไล่บ้างปฏิสารนียกรรมให้ขอขมาครพหัดบ้างบุกเขปนียกรรมยกเสียจากหมู่ไม่ให้ใครครบบ้างมีผู้ตดเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามทําการรับหลังผู้ถูกลงโทษทรงปรับอาบัตทุกกฎแก่ผู้ทาเช่นนั้นส ม, มุขาวินัยการระงับต่อหน้าทรงแสดงภิกษุที่เป็นบุคคลฝ่ายไม่ดีสามประเภทคือหนึ่งบุคคลหมายถึงคนเดียวสอง บุคคลหลายคนสามสงคือสี่รูปขึ้นไปที่พูดไม่เป็นธรรมฝ่ายหนึ่งกับทรงแสดงภิกษุที่เป็นบุคคลฝ่ายดีสามประเภทคือหนึ่งบุคคล2บุคคลหลายคนสามสงคือสี่รูปขึ้นไปที่พูดเป็นธรรมอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่พูดไม่เป็นธรรม เมื่อจะระ ง, งับเรื่องที่เกิดขึ้นในที่พร้อมหน้าก็เรียกว่าสัมมุขวินัยเทียมและระ ง, งับอย่างไม่เป็นธรรมฝ่ายที่พูดเป็นธรมรมระงับเรื่องที่เกิดขึ้นเรียกว่าสัมมุขวินยัยและระ ง, งับอย่างเป็นธรรมพระทัพพระมละบุตรทํางานให้สองพระทัพพระมละบุตร ได้บรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุอย่างน้อยท่านปรารถนาจะทำประโยชน์แก่สงฆ์จึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอรับหน้าที่เป็นผู้จัดเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยและแสดงพัดคือจัดภิกษุไปฉันในที่นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นชอบด้วยจึงตรัสให้เรียกประชุมสงฆ์ขอมติสวดประกาศแต่งตั้งพระทัพมัลบุตรเป็นผู้จัดเสนาสนะ คือเสนาสนะคหาประกาและผู้แสดงพัดคือพัตตุทเทสกะเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านจึงเป็นอันประกาศแต่งตั้งเมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วปรากฏว่าได้จัดเสนาสนะได้ดีและเรียบร้อยถึงกับมีภิกษุมากแกล้งให้จัดในที่ต่างๆกันซึ่งอยู่ห่างไกลกันทีละห ล, หลายรูปเพื่อจะดูความสามารถ แต่ท่านก็จัดได้เรียบร้อยอย่างน่าอัศจรรย์ส่วนการจัดแบ่งภิกษุไปรับอาหารก็ทำได้เรียบร้อยแต่มีภิกษุพวกหนึ่งซึ่งเป็นพวกภิกษุเมติยะและภุมมะชกะไม่พอใจว่าตนไม่ค่อยได้รับอาหารดีๆความจริงเพราะเป็นผู้บวชใหม่คนจึงไม่สนใจถวายอาหารดีๆเหมือนภิกษุอื่นภิกษุพวกนั้นเข้าใจผิดว่า พระทัพพระมลบรกลั่นแกล้งจึงหาเรื่องให้นางเมติยาภิกษุณีแกล้งใส่ความหาว่าข่มขืนนางเมื่อไต่สวนได้ความเป็นจริงแล้วภิกษุทั้งหลายจึงจัดการให้ศึกนางเมติยาภิกษุณีแม้ภิกษุที่ก่อเรื่องจะขอรับผิดแทนว่าตนเป็นผู้ต้นคิดก็ไม่มีการผ่อนพัน สติวินัยการระงับด้วยยกให้ว่าเป็นผู้มีสติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแนะวิธีระงับอธิกรณ์ชนิดนี้ซึ่งเกิดขึ้นแก่พระอรหันต์ให้สงสวดประกาศให้สติวินัยแก่พระทัพพระมลลบุทและทรงแสดงเงื่อนไขห้าประการในการให้สติวินัยคือหนึ่ง ภิกษุผู้ถูกโจทฟ้องเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติ 2. มีผู้กล่าวฟ้องเธอ 3. เธอขอสติวินยัยสสงให้สติวินัยแก่เธอ 5. สงพร้อมเพรียงกันให้โดยธรรมอย่างนี้จึงเรียกว่าการให้สติวินัยอันเป็นธรรม อมูลหะวินัยการระ ง, งับด้วยยกให้ว่าเป็นบ้าภิกษุชื่อคักคะเป็นบ้าได้ทำความผิดหลายประการมีผู้โจทฟ้องพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงส่งแนะให้ระ ง, งับด้วยอมูลหะวินัยโดยให้ผู้ฟ้องซึ่งต้นเรื่องนี้หายแล้วขออมูลหะวินัยและให้ส่งสวดประกาศให้มูลหะวินัยเป็นอันระ ง, งับ โดยยกให้ว่าเป็นบ้าในขณะทำความผิดแต่ก็ทรงวางเงื่อนไขไว้ว่าถ้าทำความผิดขณะที่รู้สึกตนและไม่เป็นบ้าแต่แก้ตัวว่าไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกเหมือนฝันหรือแก้ตัวอ้างความเป็นบ้าทรงให้อมูลหะวินัยแก่เธอดังนี้เรียกว่าไม่เป็นธรรมถ้าตรงกันข้ามคือถ้าไปในขณะเป็นบ้า ไม่รู้สึกตัวจริงๆการให้อมูละหาวินัยจึงเป็นธรรมปรติญญาต ก, การะณะการระงับด้วยคำสารภาพของผู้ถูกฟ้องภิกษุฉชัพพัคีลงกำแก่ภิกษุทั้งหลายโดยไม่ฟังคำสารภาพของภิกษุเหล่านั้นมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามทำเช่นนั้นถ้าฝ่าฝืนต้องอาบัตทุกกฎจึงทรงแสดงวิธีระงับอธิกรณ์ด้วยการรับสารภาพของจำเลยที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรมที่เป็นธรรมคือสารภาพผิดจากที่ทำลงไปจริงเช่นต้องอาบัตหนักสารภาพว่าต้องอาบัตรองลงมาหรือต้องอาบัตเบาสารภาพว่าต้องอาบัตหนัก ส่วนที่เป็นธรรมคือต้องอาบัตอะไรก็สารภาพถูกตรงตามนั้นเยภุยยสิกาการระงับด้วยถือเสียงข้างมากภิกษุทั้งหลายทะเลาะวิวาทกันพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์ชนิดนี้ด้วยถือเอาเสียงข้างมากให้สมมุติภิกษุ ผู้ให้จับสลากคำว่าสลากแปล ว, ว่าซี่หมายสําหรับใช้ลงคะแนนภิกษุผู้ให้จับสลากจะต้องประกอบด้วยองค์ห้าคือไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะเกลียดเพราะหลงเพราะกลัวและรู้ว่าอย่างไรเป็นอันจับอย่างไรไม่เป็นอันจับคือหมายถึงคุมการลงคะแนนได้ดีแล้วให้สวดประกาศแต่งตั้งภิกษุ ผู้ให้จับสลากเป็นการสงฆ์แล้วส่งแสดงการจับสลากคือลงคะแนนที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรมอย่างละสิบประการคือหนึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อย 2. ไม่ลุกลามไปสู่วัดอื่น 3. ไม่ต้องคิดแล้วคิดเล่า 4. รู้ว่าผู้กล่าวไม่เป็นธรรมมีมากกว่า ห้ารู้ว่าพูกกล่าวไม่เป็นธรรมอาจมีมากกว่าหกรู้ว่าสงฆ์จะแตกกันถ้าขืนลงมติ7รู้ว่าสงฆ์อาจแตกกันปจับสลากโดยไม่เป็นธรรมเกาจับสลากเป็นพวกพวกคือไม่เรียงทีละคนสิบไม่ได้จับสลากตามความเห็นของตน อย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นธรรมส่วนที่เป็นธรรมคือที่ตรงกันข้ามตัดสปาปิยาสิกาการระงับด้วยการลงโทษภิกษุชื่ออุปวาระถูกฟ้องด้วยเรื่องต้องอาบัตในที่ประชุมสงฆ์ปฏิเสธแล้วกลับรับรับแล้วกลับปฏิเสธให้การกลับกลอก กล่าเทศทั้งๆรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงแนะให้สงใช้วิธีตัดสปาปิยาสิกาคือให้สวดประกาศเป็นการสงลงโทษจำเลยโดยให้ลงโทษตามควรแก่อาบัติทรงแสดงการทำตัดสปาปิยาสิกากรรมที่เป็นธรรมว่าประกอบด้วยองค์ห้าคือหนึ่งภิกษุเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ 2. เป็นผู้ไม่มียางอาย 3. ม, มีผู้โจทฟ้องสี่สงทาตัดส ป, ปาปิยสิกากรรมคือลงโทษแก่เธอ 5. ้าสงพร้อมเพรียงกันลงโทษโดยธรรมอนหนึ่งสงแสดงลักษณะการทำกรรมชนิดนี้ที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรมตามแบบที่สงแสดงไว้ในเรื่องตัดชนิยกรรม ทรงแสดงลักษณะที่สงควรลงโทษชนิดนี้และการเสียสิทธิของภิกษุผู้ต้องโทษชนิดนี้เช่นเดียวกับตัดชนียกรรมตินวัฏฐากะการระงับด้วยให้เลิกแล้วกันไปภิกษุทั้งหลายทะเลาะวิวาทกันและเห็นว่าถ้าขืนทะเลาะวิวาทกันต่อไป เรื่องก็จะลุกลามเลวร้ายถึงกับแตกแยกกันพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์ชนิดนี้ด้วยให้เลิกแล้วกันไปตินวัฏฐากะการระงับด้วยให้เลิกแล้วกันไปทรงแสดงวิธีสวดประกาศขอมติในที่ประชุมสงฆ์ให้เป็นอันพ้นอาบัติด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยมีภิกษุรูปหนึ่ง แต่และฝ่ายที่เสนอยตินั้นเป็นผู้แสดงแทนเว้นอาบัตหนักเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยขรือหัดเว้นผู้แสดงความเห็นแยง้งเว้นผู้ไม่ได้ประชุมอยู่ในที่นั้นคือมีผู้ขาดประชุม